เข้าไปใกล้เธออยากรู้จักตั้งแต่ได้เจอก็ใจฉันสั่นเมื่อได้ยินเสียงเธอตั้งแต่วันแรกจะก็เพลอเอาไปคิดละเมอพอรู้จักก็อยากจะทักทายแต่พอไม่เจอแล้วใจก็วุ่นวาย ไปไปก็มองเธอแทบตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลอยู่หรือไม่ก็ไม่รู้เกือบลืมหายใจเมื่อเธอเข้ามาไกล แต่บอกตอนนี้ไม่รู้เธอเร็วไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอตอบว่าไม่ใช่เธอเป็นแบบนี้เธอคงจะเดินหนีไปดีพอแล้วที่ได้ไม่เธออยู่ใกล้ใได้ยิน ความลับเอาไว้ในหัวใจมากเพียงใหนฉันจะไม่ยอม ไม่ยอมให้อภัยกับคำนั้นอิดอัดลึกเกินต้องเก็บเไว้ข้างในอิดอัดหัวใจก็กลัวถ้าพูดไปกลัวจะต้องเสียใจ แต่บอกตอนนี้ไม่รู้เธอเริอไปหรือไม่ก็ยังไม่รู้ว่าเธอคิดเช่นไรถ้าบอกคำนั้นแล้วเธอตอบมาว่าไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้จะคงจะต้นนี้ไปดีพอแล้วที่ได้มีเธออยู่ใกล้ใ ไ, ได้ิน ว่าฉันคิดอะไรแต่เป็นคำนั้นที่ยังไม่ได้พูดไปจะเก็บเอาไว้ในวันที่เธอพ่าใจเพราะวันนั้นวันที่ฉันแน่ใจว่าวันนี้เธอคิดว่าฉันนั้นใช่และเธอพร้อมจะฟังความคิด จะบอกว่ารักให้เธอได้ยินใกล้ใกล้บอกว่ารักเธอได้ยินหรือไม่เธอยังไม่ชา